พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่24มีนาคม2557มีเชื่อเรื่องว่าอย่าเอางานรองมาเป็นงานหลักวันในพระทั้งหมด สีรูปสมมณเน4สลงมาชั้น39มงดชั้นเกไม่ลงมาชั้นเก้ารูปวันนี้เป็นวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2557เเมื่อวานพวกเราที่ ผ่านเมื่อวานเมื่อวานเหมือนกับฟ้าฝนถลม่มลักษณะอย่างนั้นแหละเพราะเรามีงานบรรจุพระปรมสารีริกธาตุบนพระเสียนพระพุทธอุรมมงคลสองที่สวนป่าลำไยรู้สึกพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเห็นพี่น้องประชาชนแล้วก็อบอุ่นเยอะเมื่อวานทั้งทำบุญ พระสงฆ์ก็ที่เช็คได้ทั้งหมดก็1 6ร้อยหกสบกว่าแต่พระท่านบอกว่าจัดที่ไว้ร้อยแปดสิบที่นั่งแต่พอออกมาเข้าพอมาฉันจริงๆเหลือพระทั้งหมดคงจะ200ยน่อยหน่อยเ <c oughs> มื่อวานี้อาจจะถึง200ก้กว่ารู้ก ว, ว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็มามากพี่น้องประชาชนก็เยอะ แต่ว่างานก็อย่างว่าเหมือนกันจะให้เต็มพร้อยทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้พอคราวนี้จัดขึ้นมาขาดเหลือขาดตกจุดหนึ่งแต่คราวหน้าขึ้นมาอีกจุดหนึ่งมันพองไปเรื่อยเพราะเราไม่ได้จัดทุกวี่ทุกวันปีหนึ่งก็ครั้งสองครั้งมีกระถินมีงานอย่างนี้แหละ จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเขาคงเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เจ้าของงานเจ้าของวัดก็เห็นพี่น้องประชาชนหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์พระเนนตลอดถึงพี่น้องประชาชนในมาร่วมงานรวมไปสวดอิติปิโสหรือสวดมนต์ตลอดทั้งคืน เมื่อคืนวันที่22จนถึงสว่างแต่หลวงพ่อก็พักอยู่ที่กุฏิแต่ได้ยินได้ยินเสียง เ, เล็ดลอดเข้ามาก็ชัดเจนยู่นะสวดบทไหนบทไหนก็เห็นสวดทั้งคืนเห็นก็อูไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนาอนุโมทนา เ, าเห็นความสำคัญในการสงโพธ์หรือในการ ปฏิสถานพระพุทธศาสนาเทจิตใจเพื่อสวดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อพระพุทธปฏิมาเพื่อจะได้เป็นแหล่งจิตถิตให้เป็นพี่น้องให้ต่อไปภายภาคหน้าพี่น้องทั้งหลายก็จะได้มากราบมาไหว้นานเท่านานเพราะพระพุทธโลกเป็น ที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพศเพาเห็นพระที่ไหนก็กราบที่นั่นนะอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่จะกราบพวกเราที่กราบก่อนพวกเราที่กราบก่อนเราก็พยายามสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระคุณต่างๆที่เห็นว่าเป็นมงคลเพื่อเชิดชูบูชา พระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุท ธ, ธปฏิมาองค์นี้นเห็นเมื่อคืนแล้วก็เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็หลวงพ่อเองปลื้มใจแต่งานก็ผ่านไปล ะ, ละทีนี้ก็คงจะเก็บเก็บงานที่ยังขาดเหลือขาดตกต่อไปก็คงจะเป็นงานวันที่ย7เเมษา ห้ 5, แต่งานตัว น, นั้นแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ตั้งใจอย่างที่ได้พูดหลายครั้งตลายหนในที่สาธารณชนอย่างวันวานวันวนวนก่อนหลวงพ่อก็พูดว่าเราไม่ได้จัดงานแต่พี่น้องประชาชนศรัท ธ, ธาญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายอยากจะเข้ามามาในกิจที่มลมาในวันนั้นกขอในมลเพราะว่าเราไม่ได้มีบัตร เชยเชิญไม่ได้ดีกานมน่ต์เราทำแบบเรียบง่ายใครจะมาก็มาได้แต่ก็ไม่บนกันแต่มาแล้วมาให้บนกันขาดเหลือขาดตกธรรมดาเราก็พยายามต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่เพราะเราเป็นเจ้าของบ้านจะพยายามให้ขาดตกปกพ้องน้อยที่สดุดแต่ว่าถ้ามันคนมามาก เราจะไปต้อนรับรับสู้ทุกคู่ทุกคนก็เป็นไปไม่ได้เพระว่าพวกเราสมัครใจมาบางสิ่งบางอย่างขาดเหลือขาดตกก่อช่วยช่วยกันรับช่วยช่วยกันแก้ไขช่วยช่วยกันจัดการเพราะเรามาด้วยศรัทธามาด้วยความตั้งใจโดยที่ไม่มีกิจนิมนต์ไม่ได้นิมนต์มาพวกเรามาแล้วก็ทำหน้าที่ของ ตัวเองช่วยตนเองแต่เราก็พยายามในวัดของเราก็พยายามทําให้ขาดตกบกพร่องน้อยที่สุดตามกําลังของพวกเราแต่ามว่าพวกเราจะจัดทุกอย่างเต็มที่ก็มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะกําลังคนมาทุกหัวและแหงมาบ้านของเราเราจะต้อนรับเอาเต็มที่ ก็ไม่รู้จะเต็มที่ขนาดไหนอีกเราก็ประเมินการไม่ถูกนะท่านเหมือนกับเราเอาเต็มที่แต่ท่านมาพ อ, ลอหล่มแหลมเน่ยมาน้อยๆเราจะทํำยังไงก็เสียแต่ถ้าว่าเราทําจัดต้อนรับขนาดหนึ่งแต่คนมามันเบลอบลาเข้ามาอีกคนมากอีกอันนี้แหละจุดนี้แหละคือเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแต่เราก็ประเมินประเมินปีที่แล้ว ประเมินปีที่แล้วเราต้อนรับขับสู้ขนาดไหนปีนี้ก็คงยังไม่เกินปีที่แล้วมากกระมังนั่นแหละเราก็ประเมินเป็นปีๆไปวันนั้นงานวันที่27ที่จะถึงนี่ก็เราคงจะลักษณะอย่างนั้นแ่ละแต่ทีงไงเราก็ไม่ได้ถือว่าสำคัญการประกอบคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจนะั่นแหะสำคัญกว่า แต่มาอย่างที่เมื่อคราวที่แล้วอย่างวันทำบุญสมโพธิอันนี้สาคัญไหมก็ถือว่าสำคัญเพราะมีเป็นการรวบรวมศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์หมู่พกเพื่อนน้องนุ่งทั้งหลายมารวมกันแล้วก็เป็นพึกแผ่นถ้าไม่มีกิจกรรมกิจกา ร, รอะไรขึ้นมาเลยก็ต่างคนก็ต่างอยู่ก็ห่างเหินกันถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้ เนี่ยขึ้นมาก็เป็นการรวมกันรวมพลังกันลุกสิ์ลุกหาพระเนตรเข้ามามาเจอมาพบกันแต่ถ้าทำบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีอีกเหมือนกันทำให้ล้าห่างเหินในด้านการปฏิบัติทางด้าน จ, จิตใจมีแต่แห я, ไปกินข้าวต้มขนมกันอยู่เรื่อยก็ไม่น่าจะจะดีแต่ถ้าหากวานานานๆที พวกเราค่อยจัดกันมีเรื่องราขึ้นมาเพื่อเป็นการมาพบมาเจอกันสัมมนานั้นจะทัศนัง่งการได้เห็นครูบาอาจารย์เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นพระสงฆ์บิณฑบาตเห็นพระสงฆ์สวดมนต์เห็นพระสงฆ์ ท, ทํำ พ, พ, พิธีอย่างนี้ก็ใจของเราก็มีความชื่นอกชื่นใจ เพราะว่าเออพระพุทธศาสตร์ศาสนาของเราเนี่ยคงจะยืดยาวไปอีกนานอยู่เนี่ยเห็นพี่น้องประชาชนเห็นพระสงฆ์เป็นผู้อยู่ข้างในก็เป็นผู้ใส่ใจพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังให้ความสนใจอยู่นะอันนี้เราก็มองไปไกลๆได้แต่ถ้าว่าไปที่ไหนก็ไม่กี่คนเข้ามาสู่วัดวาศาสนาผลให้สู่กัน ม, มาเขามีแต่มองหน้ากัน โอ้พระพุทธศาสนาของเรานี่จะยืนนานไปสักเท่าไหร่น้อถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะไอ้พวกเราเขจะได้คิดไปอีกมุมหนึ่งเพรานั้นกันที่มาพบมาเจอกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเมื่อวานเนี่ยก็ทุกคนก็คงจะนึกในใจอือพระพุทธศาสนาวงการของพระกรรมฐานฤกษ์วัครูบาอาจารย์ตาพี่น้องประชาชนให้ความสนใจอยู่อย่างนี้ พราพุทธศาสนาของเราก็คงจะสืบทอดไปยาวนานมั่นคงนี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ลองมองมองดูแต่ถึงยังไงก็ลักษณะผิวเผินแต่ผิวเผินก็เถอะก่อนที่จะเป็นแก่นขึ้นมาก็ต้องมีเปลือกเสีก่อนในเมื่อมีเปลือกขึ้นมาแล้วก็มีกระพี้ต่อไปก็มีแก่นเปลือกคืออะไรกับเปลือกกันนี่แหละมีทานมีศีลมีพร้อมเพียงสามัคคีกัน จากนั้นก็พระ ส, สงฆ์ที่อยู่ข้างในก่อ็แจกหนังสือธรรมะบัตรแจกเอ็มพสาบั่งแล้วก็เทศนาว่าการให้พวกเราได้ยินได้ฟังเพราะนานทีพวกเราจะได้มาพบมาเจองานอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดก็เห็นพี่น้องประชาชนให้ความสนใจใส่ใจมากอยู่แต่หลวงพ่อก็พยายามนะไปณสถานที่ใดทางเขาให้หลวงพ่อแสดงธรรม หรืวให้เทศหลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องทานเรื่องศีลแล้วก็เรื่องความพร้อมเพียงสมรคีและกัการเป็นอยู่ก็ให้ปลูกศรัทธาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วถ้าว่าเราทาชั่วแล้วคาชั่วนั่นแหละจะตามสนองเมื่อปลายมือเมื่อเราทําชั่วคิดชั่วแล้ว ทำชั่วจะตามสนองเพราะนั้นอย่าคิดทำชั่วคิดแต่ทำแต่คุณงามความดีจากนั้นจะเน้นหนักเรื่องแนวความคิดแล้วเพรายผลหลักของพุทธศาสนาเนี่ยสอนแนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเนี่ยคือมิจฉาทิฏฐิคิดถูกต้องอันนั้นคือสัมมาทิฏฐิแต่เนี่ยเราก็ต้อง เอาหลักเหตุผลในทางพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบให้กับผู้ที่เข้ามาสนใจเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเรื่องศีลห้ามีประโยชน์อย่างไรศีลห้านี่เป็นศีลคุ้มของโลกอย่างไรถ้าคนไม่มีศีลล่ะจะเป็นยังไงจากนั้นก็คนไม่มีธรรมในจิตใจคนไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตใจ จะเป็นอย่างไงก่อนที่จะเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตใจนั้นเราจะเอาเข้าอย่างไรถ้าว่าเราไม่มีศรัทธาเรามีศรัทธาสัก่อนเป็นเบื้องต้นจากนั้นก็ได้นำธรรมคำสอนเอามาปฏิบัติเนะี่ยพราะเชื่อในะพระธรรมคําสอนแล้วพอปฏิบัติพอเห็นผลเท่านั้นแต่เมื่อเห็นผลความสุขใจก็มี เมื่อมีความสุขใจตอนนี้ต่อไปก็เนี่ยแหละก็ปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆื่อะเนี่ยพอไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขในทางด้านจิตใจเห็นผลเทอเนี่ยในเมื่อเห็นผลแล้วนะจะให้คลายยังไงก็คลายไม่ออกเถอะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นผลแล้วเหมือนกับคนทำมาค้าขายที่แรกทำมาค้าขายอย่างนี้นะแต่คนเขาเป็นคนจนใช่ไหม อาหาอาหารที่จะกอกหม้อาหาจากอาหารจะกินก็ไม่มีแต่ละวันอแต่ที่มีผู้แนะนําบอกว่าอืทำมาค้าขายอย่างนี้ดูสิทีแรกก็เชื่อบางไม่เชื่อบางเก็จะได้บอกะ์แต่นี่พอทำมาค้าขายก็ออพอได้กําไรขึ้นมาพอได้ขึ้นมาเอาเอใช่มองเห็นช่องทางไนะพอเห็นมองช้างก็ขยันไลยไงพอขยันเท่าทไรก็ยิ่งรวยขึ้นเรื่อย พอรวยๆขึ้นมาบอกให้หยุดที่จะไปทาํามาค้าขายน่ยกลับไปทําอย่างเก่าเนี่ยคงไม่ทําำเลยพอเห็นผลแล้วนี่แหละในการประพฤติปฏิบัติในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ลักษณะอย่างนั้นที่แรกก็ยังเชื่อบังไม่เชื่อบังจริงหรือเปล่านะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพียงแต่ว่าอยากจะให้คนเป็นหมวดเป็นหมู่ ให้คนเชื่อง่ายให้บอกว่ากรรมนะบาปนะนรกสวรรค์มีนะตัวตายแล้วเกิดนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังเอ๊ะจริงหรือเปล่าฮะเพราะเรายังไม่ได้เดินตามแต่พอเราเดินตามนันนะ่ะภาวนากำหนดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบตามแนวของพุทธะที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเท่านั้นแหละ ทีนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแหละเห็นไหมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาหลวงปู่ต่างๆไปถามท่านหน่อยสิตายแล้วเกิดได้ตายไล้สูตรครับหลวงปู่อแต่พวกเราไม่ได้ถามหลวงปู่ในลุยกยุคนั้นหรอกแต่อ่านในธรรมะลิขิตของท่านก็ได้ประวัติของท่านก็ได้ทุกอง์ท่านจะยืนยันเออว่าเด็ดตีนขาดอในแนวความคิดของท่าน เสื้อกรรมเสื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา น, ะานี่ตายแล้วเกิดแน่ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะอย่าประมาทนะอันนี้ท่านจะเน้นอยู่ตลอดเพราะเหุ้อะเพราะท่านได้ดูแลปฏิบัติมาแล้วเห็นจริงแล้วเห็นจริงตามแนวแถว ประทำคำสอนเห็นจริงตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนําแล้วอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เถิด อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็เถิดนะหลวงพ่อมั่นใจเน่ที่เดินมาสายนี้คนเนี่ยจะได้ออกมาพูดให้กับพวกเราคณะทาญาติโยมทั้งหลายว่าตายแล้วไม่สูญนะฮมั่นใจเกินร้อยนะให้นั่งภาวนานะอยากจะรู้นะทําจิตใจให้สงบเมื่อไหร่จิตใจสงบนิ่ง เป็นอัปปนาสมาธิเมื่อไหร่กายกับใจใจกับกายจะเห็นกันได้ชัดเลยถ้าจะว่านน้ำกับน้ำมันก็จะมันยังใกล้กันอยู่เหมือนกับไข่ไข่ก็อยู่ในจานไข่ไข่ก็คือวิญญาณคือใจตัวผู้รู้จานก็คือร่างกายอันนั้นก็ยังมองเห็นได้ชัดแต่มองเห็นได้ชัดรถกับคนขับรถนี่นอันนี้เห็นได้ชัดมากกว่า เพระนาะหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบว่าร่างกายของคนเหมือนกับรถนะแต่จิตใจคือนามธรรมเนี่ยเหมือนกับคนขับรถที่เราจะแยกได้ขนาดนั้นต้องทําสมาธิเนี่ยจิตใจสงบพระนะจิตใจนั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุโทโธพุโทโธพุทธโธจิตสงบรวมตึบลงไปตัวผู้รู้คือนามธรรมเนี่ยคือใจคือมโนตัวนี้นะ มันเป็นเอกเทศเลยเเนียมองเห็นกายร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาสู่ร่างกายเข้ามาสู่สมองรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเอพอออกไปอย่างห น, นึ่งเนอมันเป็นหนทางแห่งความรู้เป็นหนทางแห่งกิเลสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นพวกเราอยากจะรู้นะ อย่างที่หลวงพ่อพูดไปตามแนวแถวนี้ทำจิตใจให้สงบทำยังไงจิตใจจึงสงบหนูภาวนาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแต่ที่หลวงพ่อพูดก็คือคะแนนหนึ่งแต่พวกเราอยากจ ะ, จะศึกษาให้เข้าใจก็อ่านประวัติของแต่ละองค์ประวัติจดน้ำบนใบบัวของหลวงตาประวัติของหลวงปู่ล่าประวัติของหลวงปู่ชอบ ประวัติของหลวงปู่ต่างๆพวกเราได้ศึกษาในแนวปฏิบัติของท่านแล้วแต่ละองค์ท่านภาวนาอะไรยังไงนี่แหละแต่ละองค์ละองค์งเราจะได้ศึกษาถ้าเรายังไม่เชื่อไม่สนิทใจนะยังไม่สนิทใจแต่เราสนิทใจแล้วไม่ต้องฟังให้มากหรอกลงมือปฏิบัติเลยเออเอาจริงเอาจังเลยนั่งมันหลายหลายชั่วโมงแต่ละวันแต่ละเรานั่งดู เราหาหมุมสงบแล้วก็นั่งภาวนาโดยดูกายดูใจมันจะแตกมันจะตายมันก็รู้พอมันปวดขนาดใดขนาดหนึ่งก็ต้องอดทนดูสิจากนั้นเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองธรรมะเป็นปัจจตังสรุปแล้วนะมารับผ่อนในทีนี้อนุโมทนาให้พลน